2. ส, สิ่งมีชีวิตได้แก่คนรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์คนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูงคนที่มีความเก่งกาจคนที่มีใจเมตตาปราณีคนที่มีความเป็นที่พึ่งสูงตลอดจนสัตว์ที่สวยงามสัตว์ที่มีความน่าเอ็นดูเป็นต้นคนรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์ สามารถเข้าไปอยู่ในใจคนได้ง่ายเพียงแค่ปรากฏตัวหรือสบตากันครั้งเดียวคนเห็นก็ติดใจทันทีกับทั้งอยากเห็นและอยากเข้าหาอีกเรื่อยๆจึงเป็นเหตุให้อยากได้มาครองเสียเลยหากกล่าวโดยเฉพาะถึงเพศหญิงซึ่งธรรมชาติประจำเพศมีความเ ย, ย้ยยวนให้หลงไหลอยู่แล้วถามว่าได้รูปร่างหน้าตาดีๆกับเสน่ห์น่าติดใจมาจากไหน คำตอบคือกรรมแห่งการเคยเป็นผู้มีน้ำใจอัน ง, งามและมีใจที่สะอาดหรืออีกในหนึ่งคือการสั่งสมทานและศีลตลอดชีวิตนั่นเองอนุภาพของทานและศีลที่สั่งสมมาทั้งชีวิตจะก่อให้เกิดรัศมีเมตตาแล้วรัศมีเมตตานั้นจะบรรดาลรูปที่อ่อนหวานชวนพิศและดูสว่างกระจ่างตาเป็นสเสน่ห์ที่ใครพบเห็น แล้วเกิดมโนภาพของความรักขึ้นมาได้โดยยังไม่ทันต้องพูดคุยด้วยคนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูงเร้าใจให้เกิดความต้องการทางเพศได้แรงเพียงแค่ประกฏตัวหรือเผยเนื้อหนังบางส่วนก็ทำให้อยากเห็นส่วนสงวนอย่างรุนแรงทันทีกับทั้งปรารถนาจะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วยถามว่าชายหญิงประเภทนี้ ได้พลังเรียกร้องทางเพศแรงแงมาจากไหนคำตอบคือเคยบำเพ็ญทานและศีลมาดีเช่นกันแต่เจืออยู่ด้วยความปรารถนาจะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากๆเช่นใส่บาเสร็จก็อธิษฐานว่าขอให้งามเด่นใครเห็นเป็นต้องพิศวาสกับทั้งฝั่งใจอยู่ในความปรารถนาชนิดนั้นจนสิ้นชีวิต เมื่อเกิดใหม่ทั้งเนื้อทั้งตัวจึงมีสัสดส่วนเย้ายวนบาดตาบาดใจเพศตรงข้ามเหมือนมีสนามแม่เหล็กแรงสูงดึงดูดในเชิงราคะเวลาคนจะคิดถึงจะนึกในเรื่องทางเพศมากกว่าจะคิดถึงด้วยมโนภาพของความรักแนวโน้มของปัญหาเรื่องชู้สาวจึงเกิดขึ้นได้มากกว่าคนอื่นๆ คนที่มีความเก่งกาจสามารถทำเรื่องน่าทึ่งให้รู้สึกว่าไม่มีใครทำได้เหมือนจะมีความโดดเด่นคมคายและดึงดูดความสนใจคนจำนวนมากให้อยากได้มาร่วมงานอยากได้มาเป็นเพื่อนหรือกระทั่งอยากได้มาเป็นคู่ถามว่าคนคนหนึ่งได้ความเก่งกาจผิดธรรมดามาจากไหนคำตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ยินดีในการแพร่ความรู้ความเข้าใจไปในวงกว้างบุ้นเก่าจะกำหนดเส้นทางในชีวิตใหม่ไปตามทิศเดิมกล่าวคือเกิดใหม่จะมีแรงผลักดันให้ไปพบบุคคลที่เป็นแบบอย่างหรือการงานที่กระตุ้นความสนใจทําให้รู้สึกคลิกใจต่อติดอยากอุทิศชีวิตให้กับงานนั้นๆจึงขยันคิดขยันทายิ่งกว่าคนอื่น มีใจจดจ่อมุ่งมั่นยิ่งกว่าคนอื่นๆก่อให้เกิดความฉลาดมองฉลาดแก้และฉลาดต่อยอดกระทั่งความรู้ประสบการณ์ตลอดจนวิสัยทัศน์กว้างขวางเหนือใครอื่นคนที่มีใจเมตตาปราณีสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกเป็นสุขเพราะคนใจดีมีเมตตาจะมีความสุขมาก และความสุขก็เหมือนแสงสว่างที่แผ่พายให้คนอยู่ใกล้ได้รับส่วนแบ่งตามไปด้วยยิ่งถ้าพิจารณาว่าคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เพราะความใจจือใจดำของตัวเองก็ยิ่งสมควรเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องอยากแสวงหาส่วนแบ่งทางความสุขฟรีๆด้วยการได้คนใจดีมีเมตตา ม, มาอยู่ใกล้ตนกันถามว่าคนคนหนึ่ง ได้นิสัยทางใจในทางดีมีเมตตามาจากไหนคาตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้ยินดีในการให้ทรัพย์เป็นทานยินดีในการให้อภัยเป็นทานยินดีในการให้ความรู้และคำปรึกษาเป็นทานบุญเก่าจะบรรดาให้รูปร่างหน้าตาและกระแสจิตเป็นไปในทางสว่างก่อความรู้สึกดีๆกับคนพบเห็นและพูดคุยด้วยตลอดจนมีเนวโน้ม ที่จะเป็นคนใจดีมีเมตตาอีกถ้าไม่แพ้แรงบีบคันให้เห็นแก่ตัวซะก่อนคนที่มีความเป็นที่พึ่งสูงสามารถทำให้คนอื่นสัมผัสถึงพลังความเข้มแข็งอันหนักแน่นมั่นคงน่าเลื่อมใสและเป็นที่เชื่อได้ว่าจะนำพาคนอื่นๆไปสู่ทางที่ถูกที่ควรมหาชนย่อมหวังจะได้เป็นที่พึ่งพา หวังจะให้เป็นผู้นำหรือกระทั่งหวังจะให้เป็นเจ้าชีวิตอยากเป็นคนสนิทอยากเป็นคนโปรดถามว่าคนคนหนึ่งได้ภาวะความเป็นที่พึ่งมาจากไหนคำตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้ริเริ่มการบูญการกุศลด้วยตนเองสามารถทำกิจอันเป็นประโยชน์ให้สำเร็จได้โดยไม่ย่อท้อกลางคันตลอดจนสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่น หันมาเห็นดีเห็นงามให้ความร่วมมือหรื อ, อยังน้อยมีใจยินดีไปกับตนได้บุญที่ทำสําเร็จจะบรรดาลพลังที่ยิ่งใหญ่เกิดใหม่ด้วยรูปร่างหน้าตาชวนให้เลื่อมใสหน้าเกรงขามกับทั้งมีลักษณะที่เห็นแล้วเชื่อทันทีว่าเป็นผู้นำได้สัตว์ที่สวยงามนกหรือปลาพันงดงามนั้น แม้จะอยู่ในที่ที่ห่างไกลผู้คนผู้คนก็อุดสาไปไขว่คว้ามาอยู่ใกล้ๆทั้งนี้เพราะคนเราชอบสะสมบริวารและเครื่องประดับที่มีชีวิตรวมทั้งเชื่อเคล็ดลางว่ามีสัตว์แบบนั้นแบบนี้แล้วจะดีจะเสริมดวงสัตว์สวยงามจึงเป็นที่ตั้งของความโลภมีสนุนราคาค่าตัวแพงลิบโดยไม่จำเป็นต้องหน้าเอ็นดูหรือผูกพันกับเจ้าของเป็นพิเศษ และความงามของพวกมันก็มีค่าเกินเพชรพลอยถามว่าสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งได้ภาวะสวยงามล่อตาล่อใจคนมาจากไหนคำตอบคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้เคยทำบุญแบบที่เป็นเหตุแห่งความงดงามไว้มากเช่นทำทานด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาหรือทำบุญและอธิษฐานให้ได้รูปงามหรือรักษาศีล จ, จนจิตสะอาสะอ้าน หรือไปรักษาศีลแปดที่วัดทุกวันพระแต่ก็ทำกรรมบางอย่างที่เป็นชนวนให้เกิดใหม่ในอัตภาพสัตว์เช่นพูดให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเป็นประจำหรือตอนป่วยหนักคิดน้อยใจลูกหลานกระทั่งจิตเศร้าหมองทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นขณะจิตจะดับจากความเป็นมนุษย์จึงมีแต่ความมืดกองกุศลแต่ผลหลังมาช่วยให้สว่างไม่ไหว ได้แต่ไปช่วยตกแต่งให้มีรูปงามในสภาพของสัตว์เท่านั้นสัตว์ที่มีความน่าเอ็นดูสุนักหรือแมวที่เห็นกันทั่วไปนั้นหลายตัวแม้ไม่สวยงามพอจะเป็นเครื่องประดับบารมีมนุษย์แต่ก็มีความกระตุ้งกระเตียมน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารกับทั้งมีคลื่นจิตที่ต่อติดกับมนุษย์ได้ง่ายมีการสนองตอบคาสั่ง และสามารถรับฟังภาษาคนได้พอสมควรมนุษย์จึงจับจองเป็นเจ้าของและให้การเลี้ยงดูอย่างดีถามว่าทำไมสัตว์บางตัวจึงได้รับความปราณีเลี้ยงดูทำไมสัตว์บางตัวจึงถูกทิ้งขว้างไม่เหลียวแลคำตอบคือถ้าชาติใกล้ๆของสัตว์เหล่านั้นเคยมีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วมีใจเมตตาปราณีส่งเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือมักให้เศษอาหารเป็นทานแกสัตว์บ่อยๆแต่อาจชอบนอกใจคู่ครองคบชู้ไม่เลือกเล่นพนันกินเหล้าเมายาหัวราน้ำอยู่เสมอพูดง่ายๆคือทำทานไว้ดีแต่ศีลบกพร่องจึงต้องตกต่ำเพียงแต่ตกต่ำและไม่ลำบากมากได้รับความอนุเคราะห์จากมือมนุษย์เสมอ